ได้โดยที่ทิดไม่ซึมทราบเข้าสู่ร่างชันใดก็ชันนั้นบาปย่อมไม่มีแก่นคนที่ไม่คิดจะทำคาถานี้มีที่มาจากการที่สาวคนหนึ่งเป็นโสดาบาันบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนแล้วมีศีลห้าเป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้บวชและเป็นภรรยาในพรานนางปรนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาทั่วไปแม้กระทั่งตระเตรียมและหยิบยื่นคันธนูให้พรานผู้เป็นสามี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 ถ้าขายเหล้าด้วยความโลภอยากทำเงิน mm. ก็ไม่แปลกที่จะฟุ้งซ่านจัดถามลูกค้า mm. เพราะตามหลักกรรมวิบากนั้น mm. ให้สิ่งใดกับใคร mm. ก็ยอมได้สิ่งนั้นเข้าตัว mm. ผู้ให้เหตุแห่งความฟุ้งซ่าน mm. ยอมได้รับเหตุแห่งความฟุ้งซ่าน mm. ผู้ให้เหตุแห่งความเป็นบ้ายอมได้รับเหตุแห่งความเป็นบ้าแต่สาหรับคุณ mm. ไม่ใช่ต้นคิดขายเหล้า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 ลองดูเรื่องกันคารการกระทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มันคงกป็การส่งผนข้างกันคือทำอะไรทำดีหรือไร้ผลนั้นคือกัน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 ดูซ้ําไปซ้ามาแทนที่จะเบื่อกลับจะยิ่งสนุกเมื่อพบว่าลมหายใจไม่ซ้ํากันจริงมียาวบ้างสั้นบ้างมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างแม้แต่ลมหายใจไม่สม่ําเสมอจิตกลับสม่ําเสมอด้วยสภาพดูสภาพรู้อยู่นั่นเองหากจิตของคุณตั้งมั่นสบายไม่โดดไปโดดมาจริงๆพอกลับมาเห็นกายใจแยกกันใหม่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 แม้แต่ความเหนื่อยก็แค่ภาวะเสื่อมไปของจิตที่มีกำลังตั้งมั่นเท่านั้นเองแ้้แแลวาาวันนีอบทความจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่44เสียงอ่านโดยโจ<ด>โให้ยิสูอน ไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุที่ไรที่ได้กันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้า